แนะนำบทอะซูมัดบทอะซูมัดเป็นบทมัคคิยะมีเจ็ิห้าองค์การที่กล่าวถึงหลักการเตฮิตอย่างละเอียดตรงกระทั่งเกือบจะเป็นแกนหลักของบทนี้เพราะมันเป็นรากฐานของการศรัทธาและเป็นรากฐานของการงานที่ดีบทได้เริ่มกล่าวถึงอัลกรุรอานซึ่งเป็นปฏิหารอันยิ่งใหญ่คู่ชีวิตของมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลอห์และการใช้ท่ารอซูลมีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติศาสนากิจต่ออลัลลอห์ ให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์โดยการพิจารณาดูสิ่งที่ถูกสร้างและในบทได้ตอบโต้ข้อกังขาเหล่านั้นด้วยหลักฐานอย่างชัดเจนบทได้กล่าวถึงหลักการเชื่อมั่นอย่างชัดแจ้งและได้เปิดเผยถึงภาพลักษณ์แห่งการขาดทุนอย่างย่อห ย, ยับของการพวกปฏิเสธศรัทธาในโลกแห่งการตอบแทนคืออาคิระโรโดยที่พวกเขาจะได้ริมรถการลงโทษนานาชนิด และเปลวไฟนรกจะปกคลุมพวกเขาทั้งข้างบนและข้างล่างในบทได้ยกตัวอย่างถึงข้อแตกต่างอย่างมากมายระหว่างผู้ที่เคารพพักดีต่อพระองค์และเคารพสการะพระเจ้าหลายองค์ที่ไม่ได้ยินและไม่ได้ตอบรับนั่นคือตัวอย่างของเบาวที่มีนายหลายคนกับเบาวที่มีนายคนเดียวและบทได้กล่าวถึงสภาพจิตใจของพวกมุชริกีน ขณะที่พวกเขาได้ยินการให้เอกภาพเดาล้อใจใจของพวกเขาจะหดผูและเมื่อพวกเขาได้ยินการกล่าวถึงบรรดาจเวิตพวกเขาก็โห่ร้องแสดงความยินดีร่าเริงบทได้จบลงด้วยการกล่าวถึงการเป่าสังครั้งแรกและการเป่าสังเพื่อการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมและติดตามด้วยความหวาดกลัวและความโกลาหลนของวันเกียรม และได้กล่าวถึงวันพิพากษาอันยิ่งใหญ่โดยที่บรรดาผู้ยำเกรงมีธรรมะจะถูกนำไปสู่สวนสวรรค์เป็นกลุ่มๆส่วนคนชั่วจะถูกจูงไปยังนรกยานนำเป็นกลุ่มๆบทนี้ถูกขนานนามว่าอัจุมารเพรา ะ, ะอัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงกลุ่มของผู้มีความสุขสำราญที่เป็นชาวสวรรค์และกลุ่มของผู้ที่มีความทุกข์ที่เป็นชาวนรก กล่าวถึงกลุ่มแรกพร้อมกับการยกย่องให้เกียรติและกลุ่มหลังพร้อมความต่ำต้อยและความไร้เกียรติด้วยพระนามของลอู้สรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอบ คำพีนี้ถูกประธานลงมาจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชาญาณแท้ ا أ ا إ จริงเราได้ประธานคำพีมายัางเจ้าด้วยสัจธรรมดังนั้นเจ้าจงคารบภักดีต่ออัลลอ์ โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์ ผ ah e ึงทราบเถิดว่าการเคารพภักดีโดยบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวส่วนบรรดาผู้ที่ยึดถือเอาบรรดาผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์โดยกล่าวว่าเรามิได้เคารพภักดีพวกเขาเว้นแต่เพื่อทำให้เราเข้าใกล้ชิตต่ออัลลอ์นั้น ถ้จริงอัลลอฮ์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันถ้้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ทางนำแก่ผู้กล่าวเท็จผู้ปฏิเสธศรัทธาหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์จะมีพระบุตร แน่นอนพระองค์จะทรงเลือกจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาตามที่พระองค์ทรงประสงค์มหาบริสุดแด่พระ อ, องค์ท่านพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิจิตส พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจริงๆพระองค์ทรงให้กลางคืนคาบเกี่ยวเข้าไปในกลางวันและทรงให้กลางวันคาบเกี่ยวเข้าไปในกลางคืนและทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกสิ่งโคจรไปตามวรระที่ได้กำหนดไว้ เพิ่งทราบเถิดพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอภัยยิ่ง ย خلقكم في ب ق و ِ أمم هاتكم خلق من بعد خلق في ُ ل ُ م ال ا ت ثلاث ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا ت ص ر و ن พระองคทรงสร้างพวกเจ้าจากชีวิตหนึ่งแล้วจากชีวิตนั้นทรงทำให้เป็นคู่ครองของมัน และทรงประทานปะสุศสัตว์แปดคู่แก่พวกเจ้าพระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าในคันมานดาของพวกเจ้าเป็นการบังเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าในความมืดสามชัน้นนั่นคืออัลลอฮ์พระผู้วิบาลของพวกเจ้าอำนาจเป็นสิทธิของอัลลอ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์แล้วทำไมพวกเจ้าจึงผิดหน้าไปทางอื่น ว ل ا ي ะย่ ض َา ل ِ عب ا د ิห์ الكفرو َ إ ِ ن ت تشكرو ا يبظهلكم و ل ا ت ز ر و ا ز ر ة ِ ز ر أخرىثمإلىربكممرجعكمف ي ن ب ُ ك م, م ب م ا ك ن ت م ت ع م ل و ن إ ن ه ع ل م بذات الصدور หาพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธา แ้าจริงอัลลอฮ์นั้นทรงพอเพียงจากพวกเจ้าและจะไม่ทรงปิติยินดีต่อการเนรคุณจากพวงบบาวของพระองค์และหากพวกเจ้ากระตันอยู่พระองค์ก็จะทรงปิติยินดีต่อพวกเจ้าและไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นได้แล้วยังพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าที่พวกเจ้าจะกลับไปและพระองค์จะทรงบอกเล่าให้พวกเจ้าทราบในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้ ถ้าจริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในสวง อ, อกบนนคดอ และเมื่ออันตรายใดๆประสบแก่มนุษย์เขาก็จะวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาโดยเป็นผู้หันหน้าเข้าสู่พระองค์อย่างนอบน้อม ครั้นเมื่อพระองค์ทรงประทานความโปรดปรานจากพระองค์ให้แก่เขาเขาก็ได้ลืมสิ่งที่เขาได้วิงวอนขอต่อพระองค์มาก่อนและเขาได้ตั้งพาคีกู้เคียงกับอัลลอฮ์เพื่อให้หลงจากทางของพระองค์ชงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าเจ้าจงร่าเริงชั่วระยะหนึ่งด้วยการปฏิเสธของเจ้าเถิดแท้จริงเจ้านั้นอยู่ในหมู่ชาวนรก أَمَنْهُ ّ ق َ ا ل ِ ت ٌ آ ن َ ا ن َ ا ل ل َّ ي ْ ل ِ س َ ا ج ِ د ا و َ ق َ ا ئ ِ م ا سَاجِدُ وَقَائِمٌ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِن ผู้ที่เขาเป็นผู้พักดีในยามค่ําคืนในสภาพของผู้ก้มกราบสุยุตและผู้ยืนละหมาดโดยที่เขาหวันเกรงต่อพระโลภและหวังความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเขาจะเหมือนกับผู้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์กระนั้นหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าบรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ไม่รู้ จะเท่าเทียมกันหรือแท้จริงบรรดาผู้มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะคร้ครวนุลยาอบาดิลลดีนามนอัตตรับบัคุมลิลล์เดีนอัพเสนฟีฮาบิฮ์อัดุญยาฮ์ฮัสน์ฮ์ وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ยงกล่าวเถิดมูฮัมมัด โอ้พวงบ่าวผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดสำหรับบรรดาผู้ทำความดีในโลกนี้คือจะได้รับการตอบแทนความดีและพันดินของอัลลอ์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลแท้จริงบรรดาผู้อดทนนั้นจะได้รับการตอบแทนรางวัลของพวกเขาอย่างสมบูรณ์โดยไม่อาจคานวณได้ คจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันได้ถูกบัญชาชายให้เคารพพักดีต่อโลโดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพรม أ أ และฉันได้ถูกบัญชาให้เป็นคนแรกของบรรดาผู้นอบน้อมและฉันได้ถูกบัญชาให้เป็นคนแรกของบรรดาผู้นอบน้อม จงกล่าวเถิดมูัหมัดว่าแท้จริงฉันกลัวการลงโทษแห่งวันอันยิ่งใหญ่หากฉันฝ่าฝืนพระผู้อภิบาลของฉันจงกล่าวเถิดมูัมหมัดว่าเฉพาะอัลลอฮเท่านั้นที่ฉันเคารพพักดี โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในาศาสนาของฉันต่อพระองคิน์ กลดังนั้นพวกเจ้าชงคารบพักดีตามที่พวกเจ้าประสงค์อื่นจากพระรงองค์เถิดจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงบรรดาผู้ขาดทุนนั้นคือผู้ที่ทำตัวของพวกเขาเองและครอบครัวของพวกเขาให้ขาดทุนในวันกิยามะ เพิ่งรู้เถิดว่านั่นคือการขาดทุนอย่างชัดแจ้งมมมมสำหรับพวกเขานั้นมีชั้นของเปเลวไฟนะรกปกคลุมเหนือพวกเขา และเบื้องล่างของพวกเขาก็มีชั้นของเปลวไฟนรกอยู่ด้วยสิ่งนั้นแหละอลัลลอฮ์ทรงทำให้ปวงบ่าวของพระองค์กลัวโอ้ปวงบ่าวของข้าจงยำเกรงต่อข้าเถิตตด และบรรดาผู้ที่หนีออกห่างจากพวกจเจวตเพื่อที่จะไม่สาการะบูชามันและหันไปจงรักพักดีต่อรอสำหรับพวกเขานั้นมีข่าวดีแต่นั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงแจ้งข่าวดีแก่ปวงบ่าวของข้าเถิด บรรดาผู้ที่สะดับฟังคำกล่าวแล้วปฏิบัติตามที่ดีที่สุดของมันชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่อัลลอส์ทรงชี้แนะทางนำที่ถูกต้องให้แก่พวกเขาและชนเหล่านี้คือผู้ที่มีสติปัญญาข้าวรว่อฟมันักอรฮิคลิมตุลอดบ العذاب ดังนั้นผู้ที่มีคำมั่นสัญญาแห่งการลงโทษได้คู่ควรแก่เขาแล้วเจ้าสามารถจะชี้ทางนำให้แก่เขากระนั้นหรือและเจ้าจะช่วยผู้ที่อยู่ในนรกให้รอดพ้นได้หรือลี لكن ้ยงคนที่เล็ตต์ตวรับบ่มลอมรุ แต่บรรดาผู้ยำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นสาหรับพวกเขาจะมีคระหัสอันสนาโอถงเหนือขึ้นไปอีกก็มีครหัสถงสร้างไว้ ณเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายหลยผ่านมันเป็นข้อสัญญาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงบิดพิวสัญญาออออััมมมตรนนสสบบคุุว เจ้ามีเห็นดอกหรือว่าแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้าแล้วทรงให้มันไหลซึมเข้าไปในแผ่นดินเกิดเป็นตาน้ำทรงให้พืชผลงอกเงยออกมาหลายสี แล้วมันก็จะเหี่ยวแห้งดังนั้นเจ้าจะเห็นมันกลายเป็นสีเหลืองแล้วพระองค์จะทรงทำให้มันเป็นเศษเป็นชิ้นแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นข้อเตือนสติแก่ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายออ ผู้ใดที่อวล้อทรงเปิดสวงอกของเขาเพื่ออิสลามและเขาอยู่บนแสงสว่างจากพระผู้อภิบาลของเขาจะเหมือนกับผู้ที่หัวใจบอดกระนั้นหรือ ดังนั้นความวิบัติจงประสบแด่ผู้ที่หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างต่อการระลึกถึงอัลล์ชนเหล่านั้นอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งอัลลอฮนเอัละดีนมักษณะคล้ยคีนัจานะอตะลีนใจและเปลีากร Allah ได้ส่งประทานคำกล่าวที่ดียิ่งลงมาเป็นคำภีครองจองกล่าวซ้ำๆกันผิวหนังของบรรดาผู้ที่เกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะลุกฉันขึ้น แล้วผิวหนังของพวกเขาและหัวใจของพวกเขาจะสงบลงเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์นั่นคือการชี้ทางนำของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงชี้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้เขาหลงทางดังนั้นสําหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้ทางนำให้เล ย, อ, ยตตอัลอบล ดังนั้นผู้ใดที่ป้องกันใบหน้าของพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษอันชั่วช้าในวันกียรมจะเหมือนกับผู้ปลอดภัยจากการลงโทษกระนั้นหรือจะมีเสียงกล่าวแกบ่บรรดาผู้อาธรรมว่าจงลิมรสสิ่งที่พวกเจ้าแสวงหาไวเ้เถิด บรรดาชนก่อนหน้าพวกเขาได้เคยปฏิเสธมาแล้วดังนั้นการลงโทษได้มีมาอย่างพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัว هم الله الخ ز أكبر ال ون ดังนั้นอลัลลอฮ์ทรงให้พวกเขาลิมรสความอัปยศในชีวิตความเป็นอยู่ของโลกนี้และแน่นอนการลงโทษในปรโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าหากพวกเขาได้รู้และโดยแน่นอนเราได้ยกทุกทุกอุทาหอในอัลกุรอานนี้ สำหรับมนุษย์เพื่อพวกเขาจะได้ใครขวดคุรานเป็นภาษาอับโดยไม่มีการคดเคี้ยวเพื่อพวกเขาจะได้ยำเกรง ลลอโลท อ, อ, องยกอุทาหอนชายคนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนกันพวกเขาขัดแย้งไม่ลงรอยกันและชายคนหนึ่งร่วมกับชายคนหนึ่งโดยเฉพาะทั้งสองนี้เป็นอุทาหอนที่เท่าเทียมกันหรือ การสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลลอ์แต่พวกเขาส่วนมากไม่รู้แท้จริงเจ้าจะต้องตายและแท้จริงพวกเขาก็จะต้องตายแล้วแท้จริงในวันกิยามานั้น พวกเจ้าจะถกเถียงกันต่อหน้าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นผู้ใดเล่าที่จะทำยิ่งไปกว่าผู้กล่าวเท็จต่อรอและปฏิเสธความจริงเมื่อมันได้มีมาอย่างเขามิใช่ในนรกดอกหรือ ที่เป็นที่พำนักสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายส่วนผู้ที่นำความจริงมาและเขาได้เชื่อมั่นต่อความจริงนั้นชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ยำเกรงและหุมนไม่เชื่อในเดรรบบิฮิม สำหรับพวกเขานั้นจะได้สิ่งที่พวกเขาต้องการหน้าที่พระผู้อภิบาลของพวกเขานั่นเป็นการตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดีลียวก่ฟิรัลลอาฺ عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون เพื่อที่อัลลอฮ์จะทรงลบล้างความชั่วที่พวกเขากระทำไว้ออกจากพวกเขาและจะทรงตอบแทนรางวัลของพวกเขาให้แก่พวกเขาด้วยสิ่งที่ดียิ่งตามที่พวกเขาได้กระทำไว้อัลลอฮ์จะไม่ทรง เป็นผู้ให้ความพอเพียงแก่เบาของพระองค์ดอกหรือและพวกเขายังขู่เจ้าให้กลัวบรรดาจเจว็ตอื่นจากพระองค์และผู้ใดที่อวล้อทรงให้เขาหลงทางสำหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้ทางนำใดใดอีกเลย